พุทโธสวัสดีค่ะทพ่อนฟังที่เคารพคะได้เวลาของรายการสันสนีสนทนาแล้วซึ่งดิฉันสันสนีนาคพงศ์นะคะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลาที่มีพระมหาภัยบุญอภิปุโนได้ให้ธรรมะท่านเป็นประจำมาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนดิฉันนั้นจะมาเฉพาะวันพระหัสสดีกับวันศุกร์ในเรื่องของธรรมะเพราะว่าธรรมะในฟังซ้ำได้นะคะการใคร่ครวญในแต่ละครั้งในการฟังเดิมเนี่ย ดิฉันได้พบกับตัวเองว่าจะมีความงอกงามของแง่มุมของธรรมะที่เราได้หลายครั้งที่พบว่าไม่เหมือนกันงอกงามขึ้นว่าอย่างนั้นเถิดจริงหรือไม่ก็ต้องลองไปถามท่านพบูลซึ่งเดี๋ยวไปพบท่านแล้วเช่นเคยนะคะยังเหมือนเดิมเรามาปฏิบัติธรรมให้เย็นกายเย็นใจกันในตอนต้นของรายการกันก่อนนมัสการ่าะเชิญพอ น, นเรามาเริ่มการฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมกัน ธรรมะที่เราจะนํามาเข้าสู่ใจคือท่านผู้ฟังได้ยินเสียงใครพูดกล่าวทำอย่างใดๆขึ้นมาอันนี้เราผ่านทางหูจําได้บ้างไม่ได้บ้างรับรู้โดยสมองแล้วจะให้ความรู้ความจําเรื่องธรรมะหมวดใดๆจากสมองเข้ามาสู่ใจได้เนี่ยตรงนี้ต้องมีเครื่องที่มันจะให้มาเป็นไปในตามทางเดียวกันตรงนี้ก็คือสตินั่นเองเราต้องตั้งสติของเราขึ้น อย่างดีว่านั่นแหละว่าถ้าเรามาตั้งสติระลึกถึงธรรมะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมานุสติธรรมานุสตินั้นก็เป็นเครื่องที่เราจะใช้ตั้งในการที่ให้จิตเรามันมีธรรมะเข้าไปได้ธรรมานุสตินั้นก็คือการระลึกถึงพระธรรมที่ให้มาระลึกถึงคุณของพระธรรมว่าธรรมะที่เราฟังอยู่เรื่อยๆฟังอยู่ บ, บ่อยๆแล้วเนี่ยเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วท่านจะมีการ กำหนดบทพ ย, ยัญชนะที่รัดกลุ่มรอบคอบไม่หละหลวมเหมือนพญาสีห์ที่เวลาออกไปหาอาหารเขาจะบรลือเสียงนาดไปก่อนสามครั้งเพื่อที่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรที่มันได้ยินเสียงเสียงนาดนี้แล้วมันจะได้หนีไปไม่ลำบากขับแค้นเพราะว่ามีความเอ็นดูโกโรุณาในสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้านั้นมีการที่บรลือเสียงนาดซึ่งเปรียบเหมือนการแสดงธรรม ก็เพื่อที่จะเอนดูเคื่อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายศรีณาที่พระองค์บรรลือไปนั้นเป็นการแสดงธรรมนั้นก็มีการกําหนดบทประยันชนะที่รัฐกลุ่มรับขอบเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเรียกว่าเป็นสวากขาตาธรรมเรานึกถึงธรรมข้อนี้จะทําให้จิตของเราตั้งขึ้นได้สิทธิที่ตั้งได้นี้คือมีสตินั่นเองคําว่าตั้งได้นี้ก็คือไม่ไหลไปในทางที่เป็นอ ก, กุศล ไม่ไหลปรุงแต่งไปในทางที่จะให้เกิดสิ่งที่เป็นอธรรมขึ้นในใจของเราเวลาใจของเรามีธรรมะตั้งไว้นอกจากการที่เป็นสวากาตะธรรมธรรมะนั้นยังมีคุณสมบัติที่เชิญบุคคลอื่นเข้ามาพิสูจน์อย่างเวลาเราได้ยินได้ฟังธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งแล้วมีความสบายใจเย็นใจเนี่ยเราจะมีความรู้สึกที่อยากจะให้คนอื่นก็ได้ฟังด้วยมัเหมือนกับได้รับรสชาติแห่งธรรมแล้วเนี่ยกินคนเดียวมันกินไม่อร่อย มันอยากจะแบ่งคนนั้นแบ่งคนนี้การแบ่งให้เขาชิมลิ้มรสแห่งพระธรรมด้วยเนี่ยรสชาติที่เราลิ้มไปก็ไม่ได้ลดลงอันนี้คือลักษณะของคุลที่เรียกว่าเชิญผู้อื่นเข้ามาพิสูจน์แต่เราแบ่งกับเนินถ้าเหมือนอาหารอื่นๆเนี่ยแบ่งแล้วอาหารของเราจะลดลงหรือว่าเราจะได้น้อยลงแต่ธรรมานี้เราแบ่งกับเนินของเราไม่ได้ลดลงมีแต่จะเพิ่มขึ้นเหมือนกับการต่อเตียนแต่ถ้าเรามีเทียนอยู่เล่มหนึ่ง มีเปลวไฟอยู่เป็นแสงสว่างอยู่เนี่ยคนอื่นมาต่อเทียนจากเราเปลวไฟของเราก็ไม่ได้ลดของเขาเพิ่มขึ้นความสว่างก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนี่เป็นลักษณะของธรรมะที่เชิญคนเข้ามาพิสูจน์และเมื่อเราฟังอยู่บ่อยๆทําอยู่บ่อยๆมันจะเกิดความชํานาญมีการที่จะน้อมเข้ามาสู่ตัวความรู้จากในสมองที่จะเข้ามาสู่ใจตรงนี้แหละอันนี้ก็เรียกว่าโอปัญิโกคือมีการน้อมเข้ามาสู่ในใจแล้ว ไม่ใช่แค่กินในสมองเพราะในใจของเรามีธรรมามากขึ้นมากขึ้นมีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเพิ่มขึ้นมีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมลดลงมันจะมีความเย็นใจความสบายใจแต่จิตเราไปทางไหนในช่องทางทางใจนี้มันก็จะสบายแต่คุณตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมานุสติเป็นธรรมะที่จะสามารถให้จิตขเราตั้งขึ้นอยู่ได้จิตของเราตั้งขึ้นอยู่แล้วเวลาที่เราฟังอะไรทําอะไร จะทำมหจิตนั้นมีความเข้าใจในสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นได้นี่เป็นธรรมานุสติจรรย์บานสาธกค่ะก็เป็นสิ่งที่เราควรทําในเวลาที่เราคิดว่าทําได้แล้วก็ถ้าทำเก่งๆขึ้นไปก็ทากันตลอดเวลาใช่ไหมครับพระอาจารย์ถูกต้องเรื่องของธรรมานุสติเนี่ยคือเป็นหนึ่งในอนุสติสิบคุณโยมติว๋วเราเราจะระลึกถึงคุณของพระธรรมเช่นว่าโอ้ยธรรมะข้อนี้ดีจริงจเนี่ย เร า, า จ, จะไม่ได้รู้หลวหมาใจตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าด้วยเราอาจจะไม่ได้คิดถึงสีอะไรแต่ว่าจิตของเราเนี่ยตั้งอยู่ในกุศลรรมตรงเนี้ยธรรมะเนี่ยแม่บทนี้ดีจริ ง, รงเนี่ยความรู้สึกตรงเนี้ยมันจริงเรียกว่าเป็นธรรมานุสติเป็นหนึ่งในอนุสติสิอย่างซึ่งวันนี้ที่คุณยมติวพูดถึงว่าเออธรรมะที่เราฟังซ้ําย้ําบ่อ ย, อยเนี่ยจะทําให้ดีอาตมาก็เลยเอาตรงเนี้ยเป็นธรรมานุสติเนี่ยมายห้ทผู้ฟังได้ลองปฏิบัติดูว่าเออถ้า เราเลิกถึงพระธรรมอย่างนี้นะจิตใจเราก็ตั้งขึ้นได้เหมือนกันมันจะมีความดีความงามอยู่ในใจของเราตรงนี้คือจุดประสงค์ของการที่ตั้งสติขึ้นนั่นเองค่ะติดนี้ท่านฟังไว้เยอะเหมือนกันนะคะท่านคะคำถามต่างๆที่ค้างแล้วก็ยังไม่ได้ตอบในรายการวันนี้ที่ท่านอาจารย์ได้ส่งมาเนี่ยเดี๋ยวฉันจะค่อยๆทยอยตามลำดับเลยก็แล้วกันนะคะบาเพื่อความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ถามท่านแรก อยู่การบินไทยแน่เลยเพราะว่าแอทไ a i แอร์เวยชื่อคุณสิงขอให้ตอบในรการนี้ว่าข้อที่หนึ่งการที่เราคุยกับเพื่อนๆว่าคนนั้นเลิกกับแฟนแล้วนะแฟนเขาไปมีคนใหม่หมถือเป็นการลินทาไหมครับถ้าใช่การอ่านข่าวบันเทิงก็น่าจะใช่ด้วยหรือเปล่าครับไม่รู้ท่านเคยอ่านหรือเปล่านะคะดิฉันจะขยายความว่า ในข่าววันเทิงอะคะอ่ะเขาก็จะมีความเคลื่อนไหวของชีวิตของคนดังที่เป็นดาราจะเป็นส่วนใหญ่และส่วนใหญ่เนี่ยนะคะรู้สึกเรื่องที่เขาชอบกันมากก็คือเรื่องอความรักของดารานั้นทีนี้ก็บอกว่าหรือคนนั้นถูกนายด่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเอามาคุยกันได้ไหมครับอะการคุยกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่นี่นะถ้าบอกว่าพูดโดยไม่มีหลักฐานที่อ้างอิง หนะลักฐานที่อ้างอิงหนึ่งก่อนนะ1หลักฐานอ้างอิอง2ไม่เกิดประโยชน์3ผิดเวลาเอาแค่3ข้อเบสิกเบสิกกว่านะ1หลักฐานที่อ้างอิงไม่มี 2. ไม่เกิดประโยชน์3ผิดเวลาการพูดนั้นน่ยถือว่าเป็นการพูดเพอเจอเป็นการพูดเพอร์เจอร์เช่นบางทีเราอาจจะเห็นแค่เขาเดินสะบัดกันไปสายผู้ชายกับผู้หญิงเดินแยกออกกันไปเราก็คิดมนโนไปแล้วนะว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรกันแน่นอนเลย มันต้องเลิกกันแน่นอนแล้วก็มาคุยเมาส์กับเพื่อนอย่างนี้อันนี้คือพูดแบบไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงโอเคไหมหรือคุณฟังข่าวมาจากอินเทอร์เน็ตเขบอกเออกินอันนี้แล้วมันจะดีเป็นอย่างนั้นโดยที่เขาไม่ได้มีงานวิจัยอะไรต่างๆตรวจสอบมาแค่เขาพูดกันเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วเร า, เามาพูดต่ออย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงอย่างเงี้ยลักษณะการพูดเนี้ยคือไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงมันจะเข้าข่ายของการที่เป็นวาจาเพิร์เจอ สัมผัสปลาปะถูกต้องถูกต้องค่ะและ้วก็ที่สองก็คือว่าไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์พูดแล้วมันมันเกิดประโยชน์ไหมเป็นตัวอย่างให้เกิดการศึกษาหรือว่าความเข้าใจอะไรในเรื่องที่จะเป็นกุศลธรรมเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราหรือผู้ที่เราพูดด้วยหรือไม่ถ้าไม่มีประโยชน์เมาส์กันเฉยๆเป็นเรื่องเสียเวลาเฉยๆอันนี้ก็คือเข้าข่ายาการพูดพปรเจอแล้วอีกนะถ้าบอกว่า วาจาเรื่องที่เราเอาไปคุยกับคนนั้นเนี่ยสมมุติเราคุยเรื่องบุคคลที่3ใช่ไหมให้บุคลคลที่2ฟังเราเป็นบุคคลที่1เนี่ยเพื่อให้เขาแบบมีการคิดที่ไม่ดีกับบุคคลที่3นั้นอันนี้ก็จะเข้าข่ายวาจาที่ยุยงให้แตกกันอันนี้ก็ภาษาไทยเรียกว่าพูดซับซ้อคือพูดยุยงให้แตกกันนะะคือคนที่จะพูดยุยงให้แตกกันเนี่ยคือนําความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อแตกจากไฟนี้อย่างนี้นะหรือบอกกับไฟโน้น เพื่อให้เข้าใจอีไฟนึงแบบนึงเพื่อที่จะไม่ให้มันลงกันไม่ให้พร้อมเปลียงกั น, นอันนี้ก็จะเข้าข่ายวาจาที่ยุยงให้แต่กันนั่นแล้ว 3. ผิดเวลาอย่างเงี้ยเช่นคุณมาคุยเรื่องนี้ในเวลางานแต่คุณควรจะต้องทํางานนะแต่ว่าเรามาคุยเรื่องดาราหรือคุยเรื่องนินทาครอบครัวของเจ้านายอะไรเงี้ยมาในเวลาที่ไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้ก็จะเข้าข่ายพูดเพอเจอร์และแบบไหนที่จะไม่เพอร์เจอร์อาจเช่นยกตัวอย่างเช่นว่า คุณคุยเรื่องเจ้านายใช่ไหมว่าคนนี้เขาถูกนายด่าว่าอย่างนั้นบุคคลที่สานะเช่นเพื่อนของเราบุคคลที่3ามเนี่ยถูกนายว่าเรื่องนี้แล้วเราเอาเรื่อเรารู้เรื่องนั้นได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นได้ยินกับหูเลยฉันได้ยินนายด่าคนนั้นเน่ยว่านี้นะเธอบอกเธอเนี่ยเพื่อว่าเธออย่าทําผิดเออการคุยเนี่ยมีประโยชน์นะเพราะว่าคนนั้นเขากําลังจะอาจจะทําเรื่องผิดอยู่ในบุคคลที่สองนั้น แต่เราเอาเรื่องของบุคคลที่3ามที่เราได้ยินมากับหูเราเนี่ยแล้วมาบอกบุคคลที่2ว่าเออเธออย่าทำผิดนะเพราะว่านายจะว่าตรงนี้อันนี้ไม่ได้เป็นการพูดเพ้อเจอนะไม่ได้เป็นการพูด ใ, ให้เขาเกิดแตกแยกกันไม่ใช่แต่เป็นการพูดที่เกิดมาเพื่อเตือนเพื่อนอ่าใช่อันนี้คือกรณีนี้ได้หรือถ้าบอกว่าคุณรู้เรื่องดาราอย่างเงี้ยว่าเออดาราคนนี้เขามีเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้สมมุติว่าเราต้องไปดิ้วเขาเรื่องว่าจ้างมา อีเวนต์ในงานของบริษัทอราเป็นต้นอย่างเงี้ยเอาถ้าจ้าง2คนนี้มาเขาไม่ถูกกันเราก็อย่าจ้างมาอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้การพูดหรือว่าการไปอ่านข่าวเรื่องพวกนี้มันก็จะไม่ใช่เข้าข่ายของการพูดเบอร์เจอร์หรือว่าการพูดยุยงให้แตกกันทั้งนี้ทางนั้นมันก็อยู่ที่เจตนาด้วยนะคืออ่านข่าบันเทิงมันเพื่อความบันเทิงอย่างคนที่จะมีเสพความสุขทางตาทางหูอย่างเงี้ย เนะช่นดูกันละเล่นแล้วสนุกหรือว่ารู้เรื่องคนนั้นเขาเป็นอย่างงี้รู้เรื่องคนนี้เขาเป็นอย่างงั้นมันสนุกอันนี้มันคือความทางกามนันคือความสุขในทางกามอย่างไรก็ตามความสุขในทางตาทางหูก็ต้องมีขอบเขตกับเรื่องของศีลอย่ากโกหกกันอันะนี้โกหกนี้ไม่ได้เลยผิดมากเป็นหนึ่งในสัมมาวาจาและถ้าทำได้ดีมากยิ่งขึ้นสัมมาวาจาข้ออื่นๆก็ขยายไปให้มันดีขึ้นในส่วนเรื่องของกายอันนี้เราต้องรักษาให้ดีอยู่ละ ไม่ราคาสัตว์ลักษณัพย์เพื่อเพิดในกรรมอย่างนี้เนาะค่ะท่ า, านคุณคะงั้นก็เท่ากับว่าท่านไม่ตอบตรงๆว่านินทารหรือเปล่าในตัวอย่างที่คุณสิงห์ได้ยกมาแต่ตอบเป็นหลักการให้ไปพิจารณาในทุกๆเรื่องที่เราพูดกันเลยนะคะว่าถ้าเข้าขายว่าขาดหลักฐานอ้างอิงไม่เกิดประโยชน์พูดผิดเวลาก็เรียกได้ว่าพูดเพ้อเจอ้อแต่ถ้าจะตีกรอบให้กว้างกว่านั้นคือกรอบเรื่องศีล อันนี้<ช>คงจะรวมไปถึงสีลข้ออื่นด้วยไม่ใช่ใชแค่พูดปดนะคะท่าน <5 S 2> ท่าน<ๆ>เลยอยากกรับเรียนถามท่านว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลักในการที่เราจ ะ, ะดำเนินชีวิตเพราะว่าการคิดการพูดการทาเนี่ยจะเกิดขึ้นตลอดเวลากรอบของเขาถ้าดีฉันจะเลือกพิจารณาอย่างนี้จะมากไปหรือน้อยไปคะอย่างเช่นเรารู้ว่ากุศ ล, ลกรรมกับอกุศ ล, ลกรรมเป็นอย่างไรใช่ไหคะเบาเราก็ใช้กรอบสองอย่างเนี่ย ในการที่พิจารณาว่า้สิ่งที่เรากำลังคิดกำลังพูดกำลังทำอยู่เนี้ยเข้าข่ายเป็นอกุศลหรือเปล่าใช่ใช่ตรงนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้ามอบให้ไว้กับท่านพระราหุลตอนนั้นท่านพระราหุลเนี่ยอายุสิบสคุณชมติว๋วเด็กนะก็แบบมักจะพูดเล่นพูดซนพูดอะไรไปอย่างเงี้ยก็เลยเตือนบอกว่าราหุลถ้าเธอพิจารณาวจีกรรมที่เธอกําลังจะทําอยู่เนี้ยนะยังไม่ได้ทำเนี่ยกำลังจะทำเนี่ยว่ามันเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าถ้ามันเบียดเบียนนะอย่า ก, กระทำถ้ามันไม่เบียดเบียนนะให้กระทำได้พึงเร่งกระทำประจีกรรมนั้นอันนี้เคยเตือนเรื่องนี้ไว้ทีนี้อย่างยางคนเราอยู่ในสังคมคุณยมถิวเขาพูดคุยนั่นนี่มันก็เพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเพื่อความเป็นเรื่องของกามความสุขทางหูอย่างเงี้ยคุณฟังเพลงก็เพื่อความบันเทิงทางหูอาจจะไม่ได้ฟังเพลงอาจจะเป็นพูดเรื่องกรอน หรือเรื่องอะไรก็ตามก็เพื่อความสุขทางหูแต่ความสุขทางหูที่คุณกําลังเสพหรือคุณกาลังทําเนี่ยวจีกรรมตรงนี้นะวจีกรรมเนี่ยก็อย่าให้มันไปในทางผิดศีลหรือถ้าทําให้ดียิ่งขึ้นก็สัมมาวาจาเอาให้มันครบทุกข้อที่คุณโยมติวพูดถึงนี่ก็คือกุศลกรรมบด ท, ทั้ง10อย่างนี่แหละนี่อันนี้ดีมากยิ่งจะละเอียดลงไปด้วยท่านคะเดี๋ยวฉันจะยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมสักเรื่องดีไหมคะได้เพราะว่า อาจจะทำให้ง่ายขึ้นกับบางท่านสมมติว่าในสังคมออนไลน์ของเราเนี่ยมีเพื่อนส่งภาพขึ้นมานะคะเป็นภาพหญิงสาวแขกสวยงามมากเลยประกอบกับเพลงว่างามอย่างนั้นงามอย่างนี้แล้วภาพที่สวยจริงๆนะคะดูไปถามว่าเราชอบดูไม่ก็เพลินตาดีนะคะแต่ถ้าดูให้เกิดกุศลเนี่ยดูได้ไหมคะคือพลิกให้เป็นกุศลไม่ใช่เพลินไปเฉยๆโอเค ความบริสุทธิ์ <ทะ S 1> มีได้เพราะเหตุอันนี้พระพุทธเจ้าบอกความเศร้าหมองมีได้ก็เพราะเหตุความเศร้าหมองเนี่ยสมมติเราเห็นรูปสตรีท่านนี้โอ้โหสวยงามมากเลยแล้วมีความกำหนัดลุ่มหลงพอใจเพลิดเพลินยินดีในรูปนี้เพราะความกำหนัดเศร้าหมองนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตใจเราจึงเศร้าหมองประเด็นคือตรงนี้คุณโยมติ๋ว <ทะ S 1> ไม่ใช่ว่ารูปที่เราเห็นทั้งหมดมันจะสุขหมดมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะรูปที่เป็นทุกข์เห็นแล้วคุณเห็นให้มันเป็นความทุกข์เนี่ย มันก็มีทําให้จิตเราไม่ไปกําหนัดไม่ไปรุ่มหลงไม่ไปยึดถือไม่ไม่มัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งนั้นเพราะความที่จิตไม่กําหนัดเพลิดเพลินมัวเมายึดถือลุ่มหลงในรูปนั้นที่เราเห็นเป็นต้นเนี่ยทำให้จิตเนี่ยบริสุทธิ์ได้ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มีเพราะความกําหนัดลุ่มหลงที่มันมีหรือมันไม่มีในใจของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเห็นรูปเขาส่งมาตึง้งส่งมาผ่านมือถือหรืออะไรเราดูปุ๊บเนี่ย โอ้เห็นแล้วแบบพอใจมากเลยรุ่มหลงอะไรอ่านี่คือเศร้าหมองละจิตเราเศร้าหมองละเนี่ยก็เสพกรามนี่เนาะแต่อย่างน้อยก็ยังไม่ได้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ก็ยังดีก็อยู่ในกรอบเขตไม่มีปัญห า, าสําหรับคราวาสเห็นพวกนี้ก็ไม่มีไม่มีปัญหาไม่เป็นไรแต่สําหรับคนที่จะชักนําจิตไปในทางเบื้องสูงกว่านี้คุณกําลังมาในทางที่จะให้ใจมันมีความบริสุทธิ์มากขึ้นพอเราเห็นรูปพวกนี้แล้วเนี่ย เราพิจรารณาว่าอ๋อมีความเป็นอสุภะนะมีความเป็นไม่สวยงามอย่างนี้ใต้เสื้อผ้าไปเป็นหนังนาหนังไปเป็นเนื้อเป็นกระดูกอะไรก็ว่าไปเนี่ยพิจรารณาเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโทษของภาพสวยๆที่เราเห็นเนี่ยจะปรากฏขึ้นพอโทษเห็นปุ๊บมันจะไปกำหนัดยินดีรุ่มหลงไม่ได้จะคลายความกำหนัดยินดีลุ่มหลงจลิตเราก็จะบริสุทธิ์ได้ตรงนี้ครับ น, นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันคิดว่า สำหรับพวกเราเนี่ยอยู่ในยุคที่โอ้โหอะไรต่างๆที่ไม่เคยคิดว่าจะได้รู้ก็ได้รู้ทั้งที่รู้แล้วรู้สึกว่ามันเบิกบานใจทั้งที่ได้รู้แล้วมันหดหู่ใจกับสารพัดความรู้สึกเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือในการที่จะพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปก็ได้ใช่ถ้าหากจะมองให้เป็นที่คุณโยมติ๋วบอกว่าถ้าหากจะมองให้เป็นตรงเนี้ยคาว่ามองให้เป็นตรงเนี้ยต้องใช้แบบตาคือปัญญามองเนตรงนี้คือสัมมาทิฏฐิไล่มาตามทางของมรแปด แต่คถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคนสคนอย่างที่คุณยงติ๋วพูดมาเนี่ยนะคนแรก <Okay. S 1> ที่เห็นแล้วรุ่มหลงเนี่ยแต่เขายังไม่ทำผิดศีนะเขาก็ยังอยู่ในมรรคอยู่อยู่ในมรรคระดับที่คราวญาเขาเป็นกันได้ทุกคนไม่มีปัญหาทีนี้คนที่2ที่เห็นแล้วพิจารณาเห็นเป็นอสุภาพปล่อยวางได้เนี่ยคือมรรคเขาเจริญมากยิ่งขึ้นดีมากยิ่งขึ้นคือเขาปรุงแต่งมาในทางที่ตั้งสติให้ดีขึ้นเห็นด้วยความเป็นของไม่สวยงา ม, มเห็นโทษของมันแล้วมีสติสัมปชัญญะอย่างดี สัมมาสังกปะตั้งขึ้นได้ดีมากขึ้นก็ทําทให้มาในตามทางมรรคได้สูงกว่าไปได้ดีกว่าคือมรรคตรงนี้เป็นการปรุงแต่งดีว่าที่ให้เห็นเนี่ยแหละเนี่ยเดจารย์ปอนสําหรั บ, บาท่านถ้าหากว่าเออ่ไม่เคยรู้ธรรมะมาก่อนแต่ในความเป็นจริงก็อาจจะคิดเองได้เหมือนกันนะคะว่าโอ้สวยก็สวยแป๊บเดียวนี่เห็นนางงามอืมืม่อเพือ่อมไม่นานนี่เองเคยเป็นนางสาวไทยนะพออายุสักห้าหกสิบนี่ คิดไม่ออกเลยว่าตอนสวยนี่เป็นอย่างไรอืงสมมุตินะคะอันนี้ก็คนธรรมดาธรรมดาคิดเองได้ใช่ใช่มีคนอยู่สามประเภทอย่างพระพุทธเจ้าว่าคือถึงแม้เขาจะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่จิตของเขาเนี่ยมาตามคลองแห่งกุศลธรรมได้คนแบบนี้มีอยู่ค่ะแต่ถ้าหากว่าได้รู้ธรรมะของพระพุทธองค์เช่นอ่าได้รู้เรื่องอะไรล่ะคะอันนี้จังทุกขังอนัตตาสมมติไหมคะ ก็จะเป็นพื้นที่เหมือนกับว่าพอเห็นปุ๊บเนี่ยเรานึกถึงข้อธรรมนั้นก็อาจจะทาให้การที่จะพิจารณาเพื่อจะยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นจากโจทย์เหล่านั้นที่เราพบเห็นมันเกิดได้ง่ายขึ้นฉันก<ต>็จว่อจาอย่างนั้นนะถูกต้องถูกต้ตตองคือจะมี ค, ะคนประเภทที่สองที่ต่อเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ยินได้ฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจิตของเขาเนี่ยถึงจะมาตามคลองแห่งกุศลธรรมได้คนประเภทนี้ก็มี ค่ ะ, ะจากการที่ได้ฟังที่ผ่านมาในวันนี้นะคะดิฉันเข้าใจว่าเราก็คงจะได้ใช้ชีวิตของเราตามปกติอย่างยิ่งขึ้นถูกทำมากยิ่งขึ้นได้มาเรื่องถัดมาเลยค่ะท่านคะนเป็นเรื่องของการไปถวายอาหารหรือของใช้ให้พระนะค ะ, ะคุณสิงห์ก็บอกว่าได้เห็นพระหนึ่งรูปมีอาหารรอบ ก, กายเยอะมาก บาครั้งรู้สึกว่าจะมากจนเหลือหรือเปล่าทําให้หมดกําลังใจจะถวายเกรงว่าจะเสียของจะปฏิบัติอย่างไรดีหรือบางคนบอกให้ไปทําบุญด้านอื่นบ้างอช่ไหมคอก็อยู่ที่เรามีศรัทธาตรงไหนคืออย่างกรณีหนึ่งคุณสิงห์ถ้าเห็นว่าโอ้โหอาหารมากเหลือเกินแล้วกลัวว่าจะเสียของแสดงว่าศรัทธาในการที่จะให้ของตรงนั้นเนี่ยให้อาหารที่กับพระรูปนั้นของคุณตกแล้วนะตรงนี้คือแสดงถึงว่าศรัทธาเราตกแล้ว ถ้าศรัทธาเราตกตรงไหนเราอย่าทําตรงนั้นหลักการมันแค่นี้เพราะไม่งั้นบุญที่คุณทำ<ะ>บุญที่คุณทำมันก็จ ะ, ะจะเศร้าหมองไงคือคือเราเราเราให้ทานเนี่ยเพื่อหวังบุญถูกไหมเราไปไปวัดไปเนื้อนาบุญหาเนื้อนาบุญเนี่ยให้ทานเพื่อหวังบุญแต่คุณไปเห็นสภาพ <c oughs> แล้วคุณเกิดศรัทธาคุณตกศรัทธาคุณตกแสดงว่าการให้ครั้งนั้นจะเศร้าหมองแน่นอนอ๋อแต่อย่างนี้ก็ลําบากเหมือนกันนะคะท่านบางทีเราไปอยู่เฉพาะหน้าแล้วเราเลี่ยนไป าวางสัตธาของเราที่อื่นไม่ทันแล้วค่ะท่านคะจะนั่นไน <laughs> ต<อ>ง <laughs> ต้องปรับจิตของเราแต่นไงต้องปรับจิตของเราอ่าเพราะว่าใน <laughs> ในระบบของของการกินอาหารของพระเนี่ยนะคือ <laughs> คือวัดแต่ละวัดอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ถ้าอย่างสมมติกรณีของวัดป่าหรือว่าที่ท่านจันทนิบาเนี่ยท่านรับอาหารมาแล้วท่านก็จะส่งต่อไปพิจารณาแล้วก็จะส่งต่อไปหรือว่าถ้าจะมีบางอย่างวางแว้ข้างบ้างพอท่านพิจารณาเสร็จแล้วระหว่างที่กินอยู่ท่านก็จะส่งต่อไป นะให้รูปอื่นพิจารณาต่อไปนี่ก็จะเป็นระบบที่ที่พระก็จะแบ่งปัจจัย4ที่ได้มาในจุดบางยิ่งในเรื่องของอาหารเนี่ยแบ่งกันอย่างนี้น่ะอันนี้เราก็ปรับจิตปรับใจของเราได้หรือหรือในกรณีที่ว่าโอ้โหถวายรูปนี้หมดแล้วเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการถวายเช่นว่าถวายในลักษณะที่แบ่งเป็นถ้วยน้อยๆสาหรับทุกรูปได้เท่ากันหมด อะไรเงี้ยนะไม่ใช่ว่าถ้วยใหญ่ๆใบเดียวสําหรับรูปนี้รูปเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ใการที่ท่านจะแบ่งจ่ายให้รูปอื่นเนี่ยมันทําได้ลําบากอันนี้เราก็จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบสักนิดหนึ่งแต่ว่าตรงนี้ที่สําคัญที่คุณโยมติ๋วบอกว่าโ อ, อ้ถ้าเราเรียงไม่ได้เนี่ยศรัทธาตรงนี้สําคัญเราเราจะต้องทอํายังไงไม่ให้ศรัทธาของเราเนี่ยตกลงมีความเศร้าหมองเพราะว่าถ้าศรัทธาน้อยลงนะ บ, บุญนั้นก็จะเกิดน้อยลง พนะระพระเจ้าได้เคยยกถึงองค์ประกอบหกประการนะของการให้ทานเนี่ยถ้ามีสามอย่างของผู้ให้กับสามอย่างของผู้รับถ้ามีแล้วเนี่ยการให้ทานนั้นจะได้บุญมากนะที่ของผู้ให้เลยก็คือศรัทธาก่อนระหว่างและหลังนี่เรายังไม่ทันให้นะศรัทธาเราตกแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะเศร้าหมองไปนะทีนี้ผู้รับถ้าเป็นเนื้อนาบุญมีราคาโทสะโมหะน้อยเบาบาง หรือว่าหมดแล้วประกอบกัน3อย่างของผู้ให้3อย่างของผู้รับบุญนั้นก็จะจะมากแต่ถ้าผู้รับเป็นเนื้อหน้าบุญอยู่แล้วผู้ให้สัทาอาจจะเบาบางไปบ้างอันนี้ท่านพระกุมรการกสปะเคยเปรีเทียไว้ของเรา3อย่างผู้ให้เนี่ยนะเปรียบเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์พืช3อย่างของผู้รับเนี่ยเปรียบเหมือนกับผืนนาพื้นน า, นะนนาถ้าดีแปลงนาที่ดีใช่ไหมมีน้ําอุดมสมบูรณ์มีดินร่วน แล้วก็ดินดีมีปุ๋ยอยู่ในดินอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกับแปลงนาที่ดีในขณะที่ผู้ให้นะที่มีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังเนี่ยเปรียบเหมือนกับเมล็ดพืชพันธุ์ข้าวถ้าพืชพันธุ์นั้นเป็นพืชพันธุ์ไม่ดีนั้นะไปปลูกในแปลงนาดียังไงมันก็ยังได้ผลดีอยู่นะแต่ถ้าเราจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าพืชพันธุ์ยิ่งดีโอ้เป็นพันธุ์เมล็ดอ้วนเป็นพันธุ์ที่สู้แล้งสู้แดดอะไรได้ยิ่งไปปลูกในแปลงนาที่ดีเนี่ยโอ้ยิ่งได้ผลดีมาก อันนี้เราจึงต้องปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในใจของเราว่าให้มันดีตามกระบวนการนี้แหละนะเรื่องของสตาร์ค่ะผง<ม>ที่ว่าเป็นกันค่าทุกคนแหละนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยกว่าจะหาเงินหาทองมาเพื่อซื้อของไปทําบุญทําทานเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆสําสหรับบางคนแล้วก็จึงคิดละเอียดนะคะว่าเงินของเราควรจะเกิดประโยชน์อย่างที่สุดได้อย่างไรเมืม่อไปเจอสถานการณ์ที่เออเงินของเรามันอาจจะไร้ค่า กลายไปเป็นของที่ทิ้งหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะคิดมากก็กลับไปเหมือนกับตอนที่ได้ขยายความคําถามแรกนะคะที่ฉันเข้าใจว่าการรู้ทําก่อนเนี่ยสำคัญมากค่ะอืมใช่ใช่ทีนี้อย่างมุมมองของพระอาลมาเป็นพระภิกษุใช่ไหมค่ะพระเนี่ยคนชาวบ้านเนี่ยจะมาให้อาหารมากเป็นพิเศษในวันพระจนกระทั่งบางทีอาละวาก็งงว่าเอ๊ะพระนี่กินข้าวเฉพาะวาันพระหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ทาําไมเขาจึงต้องเอาม า, มาให้มากเป็นพิเศษเฉพาะวาันพระ วันธรรมดาทําไมไม่เอามาให้บ้างวันนี้ก็วันพระนะคะที่กำลังศรัทธากันแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ทาไมเป็นอย่างนี้แต่คิดไปคิดมาเนี่ยไม่ได้คําตอบคุณโยมติว่าคือชาวบ้านเขามีศรัทธาในวันนั้นเข้าใจไหมคือคือ <c oughs> เขาการให้ทานเขาเนี่ยเพราะว่าศรัทธาเขาถึงให้ถูกไหม <c oughs> ก็เขามีศรัทธาในวันเนี้ย <c oughs> เขาจะมาให้วันเนี้ยแล้วแล้วยังไงก็วันอื่นเขาไม่ได้มีศรัทธาเพราะเขาเห็น <c oughs> รูปป ฏ, ฏิทินว่าเอ้ยวันนี้มันเหมือนพระเว้ยเออฉันควรจะจิตใจน้อมไปในการให้ทานเขาเอาทานมาให้ โอโ้นี่จิตใจแบบนี้เราเราไม่ควรจะไปตําหนีเขานะว่าแห่กันมาให้อะไรกันจะบ้าวันนี้โอ้โหพูดอย่างนี้ไม่ได้เลยนําพระนี่ต้องอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามดูไหมอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเพ <c oughs> ราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยโอกก็เขามีศรัทธาวันนี้เอาก็ก็รับไว้อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเพราะเราพิจารณาจากมุมนี้ก็ได้ว่ามุมมองของพระ โ, โห้ทำไมเขาต้องเอามาให้แต่องค์นี้ทําไมอ ง, งนี้รับไว้อย่างเดียวไม่แบ่งเพื่อนก็ท่านอนุเคราะห์คนด้วยใจอันงามเรามองให้มันเป็นอย่างเงี้ยศรัทธ า, าเราจะไม่ตกนะ คแล้วเป็นปกติในะารเดนเชื่อว่าอบางคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหศรัทธาพระรูปนี้แล้วก็พระที่ที่เหมือนจะมีชื่อเสียงหรือว่าเทพเกง่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มักจะมีผู้ศรัทธามากแตกต่างกันกันกบพระรูปอื่นอันนี้เป็นเรื่องจัดได้ ว, ว่าธรรมดาเดนเชนอยากถามเติมไปอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้ท่านได้กล่าวถึงเรื่ององค์ประกอบหกประการของการให้ทาน ที่ อ, อยู่ในระหว่างผู้ให้กับผู้รับในเรื่องของผู้ให้ถ้าเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์เนี่ยก่อนระหว่างและหลังเนี่ยก็ต้องทำตัวเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีใช่ไหมคะศรัทธาเต็มที่ใช่ส่วนผู้รับก็เป็นผู้ที่มีเนื้อผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีมีราคะมีโทสะมีโมหะน้อยถูกไหมคะซึ่งมีมากก็จะเป็นพื้นนาดีเอมีองค์ประกอบอย่างอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นที่ที่เนเคยได้ยินมาว่า อะไรล่ะเราจะต้องทาทานด้วยความไม่ต็มไม่ต็มหนียงวางจิตของเรา ต, ตัวนี้มันจะมารวมกันที่ศรัทธาไงคือไม่ว่าเช่นว่าเงินที่คุณหามานะ่ยมันมันดีหรือไม่ดีเช่นโกงเข้ามาหรือว่าทํางานมาด้วยความบริสุทธิ์อันนี้มันก็จะอยู่ศรัทธาก่อนให้นะีว่าคือถ้าเราโกงเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วต่อให้เรามีศรัทธาเนี่ยมันจะมีความเศร้าหมองในในศรัทธาก่อนให้ตรงนั้นมันจะมารวมกันอยู่ในก้อ น, นี้อยู่ละ ข้ออืิมที่เขาอาจจะแยกแยะ ก, กันเช่นว่าอาผู้ให้ต้องมีสีก่อนนะหรือว่าเงินที่คุณหามาต้องบริสุทธิ์นะหรือว่าต้องมีองค์ประกอบเรื่องอะไรต่างๆเรียกบริววงเรียกบริวานทําคนเดียวก็ได้คนเดียวนะแต่เรียกบริวานได้บริวารสมบัติด้วยอะไรเงี้ยนะมันก็จะมาะเติมตรงศรัทธาตรงนี้ให้มากขึ้นหรือว่าให้อ่อนลงองค์ประกอบอื่นๆตรงนี้ น, นั่นเองอืมค่ะเพราะว่า เ, าเคยได้ยินว่าถ้าจะให้อใน การที่จะพัฒนาทางจิตของเราเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ยเรื่องของฐานที่สําคัญเนี่ยคือต้องเป็นฐานที่ให้โดยไม่ได้หวังผลอแต่เป็นทานที่อ่าจะทําให้ตัวเราเนี่ยเหมือนสละออกได้สละออกกาได้หลักกันอีกแล้วหละ่ะสําคัญมากนะคะหลักเนี่ยจับหลักได้เราก็ไปพิิจารณาเอาเองว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วอ่เราจะเลือกเนื้อนาบุญอย่างไรใช่มหมคะบางคนก็เลยจะพิธีพิธานมากยิ่งขึ้นในการเลือกเนื้อนาบนุญ บางคนก็มาพิธีพิฐานที่ตัวเองรู้ละไอ้เราเรานี่เป็นคนแย่จังเลยพอเห็นปุ๊บนี่มันปีติขึ้นมามว่า น, น, นะคะความศรัทธาที่มีมาตั้งแต่เดิมเนี่ยมันหายไปตั้งต้นใหม่เลยอันนี้ก็ตอว า, างจิตใหม่ใช่แล้วมีประเด็นหนึ่งถ้าจะรวบรวมกันในที่นี้ให้มันครบถ้วนเลยก็คือบางคนก็จะบอกว่าต้องให้ด้วยมือตนอย่างนี้ก็มีนะซึ่งซึ่งการทําตรงนี้ก็อยู่ที่จิตของเราจะวางศรัทธาอย่างไง ว่าเราจะให้คืออย่าง่สมมตเิเราเราโอนบัญชีให้อย่างเงี้ยโอนเงินผ่านทางบัญชีชมันเป็นการให้ด้วยมือเราไหมถ้าคุณไปทําเองมันก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ระหว่างจิตยังไงนั่นแหละตรงนี้สําคัญจิตนี่สำคัญที่สุดนการถูกต้องถูกต้องบางคนโอ้โหอตั้งท่ารูปแบบทําพิธีกรรมงดงามสวยหรูแต่ใจเนี่ยทําไปงั้นแหละทําให้มันสมกตฐานะชั้นอะไรเงี้ยมันก็ได้อีกแบบหนึ่งใช่เยี่ยมานหมดเวลาแล้วครับท่านคะ วันนี้คงจะหมดแค่คําถามของคุณสิงห์หวังว่าจ ะ, ะได้รับความชัดเจนแล้วก็ยังเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยอนุโมทนากับคําถามของคุณสิงห์ด้วยนะคะกล่าวน้าสถารขอบทุกคุณท่านไับูลค่ะเดินบานนิสการค่ะค่ะท่านฝัง่งที่เคารพค่ะพระมหาภัยบูลอภิปุนโนของท่านที่มาพบกับท่านทํางานหนักมากคือพบหลายสถานีนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษของท่านเหมือนการเมตตาสอน ผู้ที่ไปเข้าคอร์สลีกเลนที่วัดป่าดอนไฮโซถึง3คอร์สภายในเดือนเดียวแล้วก็ยังไม่ตามมาจัดรายการอย่างไม่บกพร่องดิฉันก็ต้องกราบนมสักการขอบพระคุณท่านได้อย่างสูงท่านฟังติดตามรับฟังรายการของเราได้เป็นประจำนะคะมาปฏิบัติธรรมเมื่อตอนเช้าฟังธรรมตั้งแต่ตอนเช้าเอาไว้เป็นความรู้ที่จะทำให้มองโลกและใช้ชีวิตบนโลกอย่างมีปัญญาถูกต้องตามคําสอนของพระศ า, าสดาค่ะพบกันวันพรุ่งนี้นะคะพุทธสวัสดีค่ะ